หนึ่งอุสรตะ ก, กะห้าสิบหกจิตตทุกกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะจตุกนัยเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นจิตโดยอรมณ์ปัจจัยย่ออรมณปัจใจมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีเจดวาระอนันตรัปัจจัยมีเจดวาระละถึง อุปนิเสสะปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนติปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระยอ่อนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอารมณปัจจัยมีก้าวาร ะ, าระจจย่าาะยอพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในขุสลตเกกะ8สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิต อาศัย <beneath, S 3> สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นจิต อาศ Th the ัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยากฤตซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะอารมาณปัจใจย่อเก้า เหตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณ์ปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระย่อสหชาตวาระละถึงสัมปยุตตวาระเหมือนกับปฏิจัวาระสิ 10. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตโดยเหตุตุปัจจัยยอ่อเหตุตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณะปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติ ป, ปัจจัยมีสิบวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบสามวาระยอ่อหนึ่งบุสลติถกะห้าสิบเจตสิกะทุกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจยะจตุกนยัย สิสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกอาศัยสภ WOW. าวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที well ่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งเป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยย่อ สิเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระยอ่อสหชาตาวาระละถึงสัมปยุตตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัย 13. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิซึ่งเป็นเจตสิกโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกโดยระมะนะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเจตสิกโดยระมะนะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นเจตสิกเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยพิตรซึ่งเป็นเจตสิกโดยระมะนปัจจัยมีสามวาระย่อ สิเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระอานันตระปัจจัยมีเจดวาระละถึงสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอาศิวะณปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีห้าวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระละถึงสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศละิกะสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นหนพยากฤดซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุต ป, ปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิซ <ส |so|> ึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิสซึ่งไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอพยากฤิซึ่งไม่เป็นเจตสิก เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤิชซึ่งไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิญากฤิชซึ่งไม่เป็นเจตส ar ิกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ 16. บเหตุปัจจัยมีหวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยมีหวาระ โนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระพึงขยายสหาชาตะวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารอย่างนี้หนึ่งกุศลตะแกร58ถึง65จิตตะสัมปยุตตะทุกกะเป็นต้น1ถึง7ปฏิจจวาระเป็นต้น17และถึงอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยจิต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรัคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิต สภาวธรรมที่เป็นก ok ุศลซึ่งรัควรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรัควรกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระอริมณปัจจัยมีสามวาระและถึงวิปากาปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระย่อ พึงขยายสหาชาตะวาระและถึงสัมพยุตตะวาระและปัญหาวาระให้พิจารณาอย่างนี้ 1. กุศลติกะ 66. อาชาติติกะทุกกะหนึ่งถึงปฏิจจวาระเป็นต้น ปัจยะจตุกนัยสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริศซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยจย่ยอเหตุุปัจมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาตาวาระละถึงสัมปยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ สิสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายในตนโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอพยยากฤิตซึ่งเป็นภายในตนโดยอรมณะปัจจัย สภา ometer, วธรรมที่เป็นอกุศลซึ er, ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นภายในตนโดยรมณะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤิตซึ่งเป็นภายในตนโดยรมณปัจจัยมีสามวาระย่อยรมณะปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาศยวัณะปัจจัยมีสวาระวะิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียาปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระละถึงบุเรชาตปัปจจัยมีสามวาระละถึงอธิปติปัจจัยมี7วาระละถึงสมณันตรปัจจัยมี7วาระสหชาตาปัจจัยมีหนึ่งวาระ นิสสยปัจใจมีหนึ่งวาระอุปานิเสยปัจใจมีเก้าวาระอวิคตะปัจจใจมีห้าวาระยอ่อพึงขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในขุสละตระะยี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยยอ่อเหตุ ป, ปัจใจมีเก้าวาระ ปารามณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยในห้าวาระยอ่อสหชาตาวาระละถึงสัมปยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระยีสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นภายนอกตนโดยเหตุตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณปัจจัยมีก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในคุศละิกะหนึ่งุชละิกะหกสิบเจ็ดอุปาทาทุกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัิยยจตุกนัยยี่สิบสาม สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งเป็นอุปาทัยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอุปาทัยรูปโดยอาหารรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรีย์ปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอธิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัยอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรีย์ปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ24 สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤต ซึ่งไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตซึ่งไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิยากฤตซึ่งไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตซึ่งไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภพยากฤตซึ่งไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจย่อ 2ี้เหตุปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอารมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระยอ่อสหาชาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ26สบภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโอปาไทโรภ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทยรูปโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทยรูปโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอพยยากฤิตซึ่งไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นอุปาทยรูปโดยเหตุปัจจัย 27. สภาวธรรมที th Today, sorry, spring spring. Pattern, ่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทยรูปโดยรมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทยรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทยรูปโดยรมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นอุปาทยรูป เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปโดยอรมณปัจจัยมีสามวาระย่อ28เหตุปัจจัยมีเจดวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีเจวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระละถึงสหชาติปัจจัยมีเจดวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระนิจยาปัจจัยมี9้าวาระ อุปาเนยเสียปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระย่อพึ่งขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะหนึ่งกุศลติกะหกสิบแปดอุปาทินนทุกะหนึ่งถึง7ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตกุกนายยี่สิบ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤดซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤดซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเกิดขึ้นมพระเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาริมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาชาตวาระละถึงปัญหาวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระส0สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศล ซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอนพยากฤิซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัาพยากฤิซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 เห hey, ตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อสหาชาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเห hey, ตุปัจจัยและอารมณะปัจจัยสามสสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยเหตุตัปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤต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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือโดยอารถมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรม hmm? ที่เป็นอัาพยากฤตซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 โดยอารมณปัจจัยมีสามวาระย่อ34เหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณะปัจจัยมีเ้าวาระอาทิปฏิปัจจัยมีสิบวาระอนันตระปัจจัยมีหกวาระและถึงสหชาติปัจจัยมีข้าวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระนิสยาปัจจัยมีข้าวาระอุปนิจญาปัจจัยมีเ้าวาระ ปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระอาสิวนปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิเอ็ดวาระยอ่อปุชลติกะและมหันตระทุกะจบหนึ่งปุชลติกะหกสิบเก้าถึงเจ็ดสิบสี่อุปาทานทุกะสามสิบห้า สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาริมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระพึงขยายอุปาทานโคจักะให้พิสดารกุศลติกะและอุปาทานโคจกกะจบ เจกิเลสาทุกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนยัยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลาสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจยัยย่อ เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 2. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นกิเลส เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยกฤิซึ่งไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ 3. เหตุปัจจัยมีก้าวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมี9ก้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระ ยอ่อสหาชาตวาระละถึงสัมำยุตตวาระเหมือนกับปฏิจัวาระสสภาวธรรมที่เป็นขุศลซึ่งไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกิเลสโดยเหตุปจัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นกิเลสโดยเหตุปัจจัยย่อห้า เทตุปัจจัยมี4วาระอารมณะปัจจัยมี9ก้าวาระอธิปติปัจจัยมีส0วาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระย่อพึงขยาให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลตะึกะหนึ่งกุศลตะึกะเจ็ดสิบหังกิเลสกะทุกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยหก สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤิตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลส เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอัภยกฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัภยกฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย 7. เหตุปัจจัยในฆ้าวาระ อารามณะปัจจัยมีสามวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงขยายสหชาติวาระและถึงสามยุตตาวาระให้พิจารณาแ 8. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุตัปัจจมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นนกุสลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอพยากรตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยย่อ 9. เหตุปัจจัยมีเจดวาระอรมณะปัจจัยมี9้าวาระ อธิปติปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี13ามวาระย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในขุเลเติกะ10 ส, สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุต่ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นมพระเหตุปัจจัยย่อ11เหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณะณปัจจัยมีสองวาระละถึงอาศัยวุณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระยอ่อสหชาตวาระ และถึงสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ 12. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจยัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจยัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยอารมณปัจจัยย่อ 13. บสามเคตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระ อธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระละถึงอุปนิเสยปัจใจมีสี่วาระละถึงกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในขุสลติกะหนึ่งขุสลติกกะเจ็ดสิบเจ็ด จังกิลิถาทุกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยสิบสสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกิเลสทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อ สชาติวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระสิหสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัิญญากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัิญญากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัิญญากฤิตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัิญญากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิญากฤตซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยบหสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญญากฤตซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมอง เกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัย่ยอ17เหตุปัจจัยมีหวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีหวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหวาระยอ่อสหาชาตาวาระละถึงสัมยุญตวาระเหมือนกับปฏิจัวาระ18 สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศล ซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโดยอรมณ์ปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตซึ่งกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองโดยอรมณปัจจัยมีสองวาระยอ่อสิเกเหตุปัจใจมีสี่วาระอารมณ์ปัจใจมีสี่วาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระ อนันตระปัจจัยม so ีสี่วาระละถึงสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระนิสียปัจจัยมีเจดวาระอุปาณิสียปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวะนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจมีสี่วาระละถึงมัคคะปัจจมีสี่วาระสัมพยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระย่อพึงขยายให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในปุสละิกะหนึ่งปุสลตเกะเจ็ดสิบปดกิเลสสัมพยุตตทุกกะหนึ่งถึงเจ็ด ปฏิจจวาระเป็นต้นเหตุปัจจัยยี่สิบสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหมือนกับสางกิเลสทุกกะหนึ่งกุสลตึกะเจ็สิบเกกิเลสะสังกิเลสกะทุกกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นเหตุปัจจัย ยีสอสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุ ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุก ป, ปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 22. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศล outras, ซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นพระเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไ yes. uh ม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระ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 ซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอกพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ 23. เหตุปัจจัยมี9้าวาระอรมณปัจจัยมีสาวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมี9้าวาระยอ่อสหชาตะวาระ และถึงสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ 24. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต ซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสโดยเหตุปัจจัยยอ่อยีหเหตุปัจจัยมีสวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสาวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในคุชลติกะหนึ่งคุศลติกะ80สิ กิเลสสังกิริถะทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจจัยยี่สิหสภาวะธรรมที่เป็นอนุศลซึ่งเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอนุศลซึ่งเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอริมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ ย่อสาชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยี่สิบเจ็สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งกิเลสทําให้เศร้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอ ก, <imiz a. S 2> นอกุศลซึ่งกิเลสทําให้เศร้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยเหตุ<น arrivé>ปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ ชาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระหนึ่งกุศลตือกะแปสิบเอดกิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุ ป, ปัจจัยยี่สิบแปดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลส เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระยีสิบเสภาวธรรมที่เป็นแนวกุศลซึ่งสัมพยุด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นแนวกุศลซึ่งสัมพยุด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสาชาตาวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระหนึ่งกุศลตะกะ8ปสองกิเลสาวิปยุตตะสังกิเลสิฟะทุกะหนึ่งถึง7ปฏิจจวาระเป็นต้นเหตุปัจจัยสาสิบ สภาวะธรรมที่เป็นขุศลซึ่งวิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นขุศลซึ่งวิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวะธรรมที่เป็นอัพญากฤตซึ่งวิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นขุศลซึ่งวิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปิยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปิยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตซึ่งวิปิยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตซึ่งวิปิยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภ e าวธรรมที่เป็นอัพยาก ฤ, ฤิซึ่งวิปยุจจากกิเลส แ, แ, แต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิซึ่งวิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัย Gri ย่อสามสิบเอ็ดเหตุปัจจัยมีห้าวา ร, อระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อ สหชาตวาระละถึงสัมปยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสาสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งวิปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยยอ่อสาสเหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณะปัจจัยมีสี่วาระและถึงอธิปติปัจจัยมีสี่วาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติหือกะ 34สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัย เหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอาศัยวณหปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อสหชาตวาระละถึงสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสาสหสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศล ซึ่งวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุตุปัจจัยย่อ36เหตุุปัจจัยมีสองวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระ อนันตระปัจจัยมีสองวาระละถึงอุปนิสัยปัจจัยมีสี่วาระละถึงกามปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะกุศลติกะและกิเลสโคจกะโจบ